ถ้าทั้งที่ความสุขเนี่ยมันมีอยู่รอบตัวละหรือบางทีใจก็ไปคิดถึงเรื่องที่ผ่านไปเรื่องที่ยังมาไม่ถึงนะลูกสอบเข้าหมหาวิทยาลัยปีหน้าจะได้หรือเปล่านะไปนึกถึงงานที่คอยอยู่งานที่คาอยู่ไปนึกถึงหนี้ที่ไม่ชําระนึกถึงพ่อที่ป่วยพอคิดแบบนี้เข้าเนี่ยใจไปงานทุก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 สถานีเนี่ยนะให้จำไว้ในใจนะกูไม่ได้เกิดมาเป็นทุกข์วุ้ยนะเด็กจำไหมห้นะจำได้ปะกูไม่ได้เกิดมาเป็นทุกข์ว้ยหรือว่าหนูก็ได้นะถ้ากูนี่ไม่สุภาพแต่เขาไม่ได้เอาไว้พูดกับใครนะเขาไว้พูดกับตัวเองตวาดใส่ตัวเองว่าทำไมกูมันโง่บแบบนี้กนะูไม่ได้เกิดมาเป็นทุกข์ว้ยนะเวลาเรา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 ถ้ามีสิวเนี่ยไม่กินเม็ดเนี่ยนะมันไม่คุ้มเลยนะหรือทุกข์เพราะเพื่อไม่กดไลทให้เนี่ยอท่านี้มีนะทุกข์เพ้อเพื่อไม่กดไลทโอ้ทุกข์มากเลยบอกตัวเองนะว่ากูไม่ได้เกิดมาเป็นทุกข์วุ้ยนะไม่กดไลท์ก็ช่างมันมีบางคนเห็นหน้าตัวเองในเฟซบุ๊กไม่สวยนะเป็นทุกข์นะเมื่อเร็วๆนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งชาวออสเตรเลียแกคงไปลักเล็กขโมยน้อยนะถูกตำรวจจับไปดัดไปดัปดสันดาลไปเรียกว่าดัดสันดาลผู้ชายชาวบ้านก็คือไปไป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 แต่พอใจเราไม่ชอบใจเราผักใส่ใจเราต่อต้านเนี่ยเป็นทุกข์เลยต้องทําใจเป็นปกติดูสิเสียงดังก็ดังไปอากาศร้อนก็ร้อนไปไม่ทุกข์มีมีหมอคนหนึ่งกันเล่าว่าได้รับมอบหมาให้ไปเยี่ยมคนไข้คนหนึ่งที่บ้านหมอก็ขอดูประวัตินะ <c oughs>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 พฤติกรรมเสี่ยงแต่ว่าสิ่งที่ทำให้หม อ, อพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลที่สำคัญที่ทำให้เขาเสงบได้ไม่กล้าร้า ว, าวไม่โวยวายตีโพยตีพายเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยวันๆเขาทำไม่รมมู้ไม่รู้ทำอะไรไม่มีอะไรทำก็เปิดโทรทัศน์ดูช่อง CNN อ n นีเนี่ยมันเป็นสถานีโทรทัศน์ข่าวตลอด24ชั่วโมง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 เจอโรคร้ายนะแต่แตจารย์ ก, ก็ยัก็ยิ้มได้ทั้งที่เป็นมะเร็งตับหมอบอกว่าอยู่ไม่นานจารย์กำพก็ยิย้มได้จารย์กบอกว่าเนี่ยเพราะว่ามีสามยอมอยู่ในใจคือยอมรับความจริงยอมรับความจริงว่าป่วยยอมรับความจราเป็นมะเร็งยอมรับความเป็นไปคือยอมรับว่าโวงนี้มนรักษาได้ยากแล้วก็ เมื่อเวลาผ่านไปมันก็จะรุนแรงมากขึ้นมันก็จะลามจนกระทั่งในสุดก็ต้องตายเราข้อสามคือยอมรับความตายพอทำสามยอมนี้ได้เนี่ยนะหรือพอบีสามยอมอยู่ในใจก็ยิ้มแ ย, ย้นแะจ่มใสความทุกข์ก็ทำได้แต่กายเบียดเบียนได้แต่กายแต่ใจก็สงบอันะนี้ข้อที่หนึ่งเลยนาะยอมรับนะยอมรับ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 มองแบบนีได้เพเติมคําว่าแค่ไปโทรศัพท์หายก็เออดีนะที่หายแค่โทรศัพท์ถูกโกงก็ไม่ทุกนะเออดีที่โกงไม่แค่หมื่นบาทนะหรือว่าโกงไม่แค่แสนเวลาเจอแล้วก็ตามอยู่เติมคําว่าแค่ลงไปเนี่ยนะใจเราจะเป็นปกติได้ดีขึ้นเป็นแค่มะเร็งสมอง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 อย่างนี้ได้กำไรอย่างเมื่อปี54เนี่ยมันมีน้ำท่วมใหญ่นะเราคงจำได้นะ5ปีผ่านไปและเร็วมากผู้คนเป็นแสนเนี่ยนะสิ้นเนื้อประดาตัวหลายคนเนี่ยก็กสูญเสียทรัพย์สินไปเป็นจำนวนมากบางคนทำใจไม่ได้กลุ่มห อ, อกกุ้มใจจนไปนโรคซึมเศร้าบางคนข่าตัวตายแต่มีคนหนึ่งนะ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 รืมมันไปซะแล้วก็สนใจสิ่งดีๆเนี่ยนะเราก็จะมีความสุขได้พวเรารู้จักซิโกโ้ใช่ั้ยซิโก้ซิโ ก, โโกโ้นี่เป็นคนขอนแก่นน่ะซิโกโ้ที่เป็นใครนะคนละคนกับซิกกานะซิโกโ้เขาเดี๋ยวนี้ก็เป็นโค้ดมีชื่อใช่ไหมแต่ก่อนก็เป็นโค้ดเก็เป็นนักกีฬานักฟุตบอลระดับซูปเปอร์สตาร์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 ได้เห็นมุมมองใหม่ๆและได้สัมผัสลรกที่มีสีสันที่สุดของโลกได้ตั้งแปดอย่างแส่ยังเดียวคือไม่ได้เล่นแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาเห็นแต่เสียเขาไม่เห็นว่าเขาได้อะไรได้อ่ะมันได้แต่มองไม่เห็นไงไม่ใช่ว่าไม่ไม่ได้นะแต่มองไม่เห็นอันนี้เรียกว่ามองลบ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 เขามองเขาฟังเขาฟังหรือเขาคิดว่าเสียงกลองจะเป็นเสียงเพลงหลับนะเขาหลับนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการมองบวกมันมีนักบินอวกาศคนหนึ่งนะชาวรัเสเซียรัเสเซียเยางที่เรางทราบนะก็เป็นประเทศแรกที่ส่งนักบินอวกาศไปโคจรรอบโลกเป็นประเทศแรกในโลกนก่อนอเมริกาเมือ่อสักหกสิบปีที่แล้ว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 ตลอดเวลาที่อยู่บนในยาอวัยะการเนี่ยเขาคงบ้าเลยพอคิดเขาเนี้ยเริ่มกระสับกระสายเริ่มหงุดหเลยนะทุรนทุรไลขึ้นมาทีเลยเพราะเสียงเนี่ยเสียงบ๊บบายามันกำเนิดหายทีว่าแต่สปารก็ได้สติขึ้นมาแล้วเขาก็ได้คิดว่าเอ๊ะทำไมในเมื่อเราจะต้องอยู่กับเสียงนี้ไปตลอดเนี่ยทําไมเราไม่รักเสียงนี้ดูทําไมเราไม่ลองรักเสียงนี้ดู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 มาขอมาอ้างเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องนะมาขอเงินแก่แกก็ให้นะแต่ละคนให้แล้วไม่พอใจได้มื่นไม่ไม่พอใจก็ อ, อ, จ อ, อยากได้แสนมีบางรายโทรมดาด่าบางรายโทรมาขู่ฆ่าจะฆ่าแก่แล้วลูกแกเครียดมากเลยเลยเอาน้ํายาขัดลาห้องน้ํานเนี่ยกลอกใส่ปากแต่ลูกเนี่ยมาช่วยทัน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 ไปเจอคุณป้าคนหนที่ตลาดทุนคุยไปคุยมาเธอก็บอกว่าเมื่อสามวันก่อนเธอขายหุ้นไปล็อตหนึ่งล็อตใหญ่มากได้กำไรสิบล้านเพื่อนตอมะก็บอกว่าขอแสดงคำยินดีด้วยครับคุณป้าเธอตอว่ายินดีอะไรกันละ่ะถ้าฉันขายวันเนี้ยฉันได้กํำไรละยี่สิบล้านเธอไม่ดีใจนะได้สิบล้านนะ่เจออะไรเนี่ยไม่สําคัญแต่ว่าใจเป็นอย่างไร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 แต่เติงคําว่าแค่ลงไปเนี่ยมันไม่ทุกนะโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองอนะ่ะ <Yeah. S 1> คุณป้าคนนี้ได้ได้โชคนะแกเจอโชคนะ่งสิบล้านอนะ่ะแต่อย่งทีามาบอกนะเจออะไรก็แพ้ใจทั้งนั้นอนะ่ะเจอโชคนะแต่ใจไม่ฉลาด น, นะใจใจโง่ะนะก็ทุกนะแล้วคนทุกวันนี้สนใจแต่ว่าขอให้ท่นได้เจอของดีๆขอให้เจอโชคเจอเจอเจอคนรู้ใจนะเจอแฟนที่น่ารัก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 อันนั้นรั้งนี้แหละอ่าก็ขอเจริญพร